เลือดเยิ่ ม, มายัาง โ, โหนี่เรามีเครื่องประดับน่ะประดับเลือดตีเลือดสาดลงมาอเรียนไม้กิเลศดูสิเรียนนั้นมันทันมันย้ยมันจะได้รู้เรื่องงงงั้นจะมาตายกองกัน น, นี้นะไม่ใช่ปลาพอที่จะตายกองกันอยู่ในหม้อวะ่ะถ้าทั้งอง เวลามั น, นผลอบรมทีแรกไม่รุนหน้ารุนหลังล้ลมลุกคุกครานแต่เพราะความทนทานเพราะความอุตสาหพยายามเบึกบืนิอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยคืบนคลานขึ้นมาได้เป็น ม, ม้อนหรอผมอะคือมันมัน ฉุดมันลากเราไปต่อนหน้านต่อตายเนี่ยคือกําลังเราไม่พอ ท, ทั้งทั้งบางทีสติเราก็มีแต่กําลังไม่พอมันมันลากออกไปทั้งสติปัญญาไปต้มยําแหลกก่อนสติปัญญากลการเป็นอาหารของมันได้เนี่ยแต่พอสติมีปัญญามีกําลังพอลากคอนมาต้มยําว่างไอต้มยําำกิเลสกินไรทีมันจะอร่อยเลยทำไมกิเลดกินเรามันอร่อยนักต้มยำเรามันอร่อยนะเราจะต้มยำกิเลสให้มันอร่อยบ้างไม่ได้หรือะ เอาพีอะไรจะอร่อยยิ่งกว่าการต้มยำกิเลศวะอืมกิเลศมันต้มยำเรามากี่ขับกี่การแล้วมันอร่อยเรื่ อ, อยมาอทีนี้เอาให้ได้ต้มยำกิเลสมังเลยมันจะอร่อยไหมอาหารอะไรแล้วเราก็เคยรับมาแล้วอาหารคือกิเลสมันเป็นอาหารมันมาต้มยำกินนี้มันจะอร่อยไหมเอาให้เห็นได้ไ่ม ไปไหนมีแต่มันต้มยำต้มยำข้าแนละ้วผ้าวัาตะบันตานโอ้เหมือนกองครัวนี่นั่งเต็มเลยเหมือนกองครัวเอาครัวเอาอาหารมากองเถลินไว้นี้ในกิเลสมันต้มยำออกมัน หั่นหัวหอมกระเทียมท่ายังเธิงยังหลับอยู่คราบอครบอย่ า, า น, นั้นหั่นหอมหั่นกระเทียมโขลกพริกถังก็กก ก, กยังฟังเพินอยู่นั่นแล้วเอียนไม้กิเลดหลอกหลอกคนหลอกขนาดนี้หลอกไปทุกขั้นนะ ขั้นนี้ผ่านขั้นนี้ไปได้แล้วขั้นนั้งหลอกรไปจนสุดขีดของกิเลสละเอียดเท่าไรยิ่งหลอกละเอียดโอ้หน้าทุเรศีนินาแล้วนะงงไม่มีอะไรเกิดแล้วการแก้ก็เหมือนกันงานได้มีงานที่หนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสปราบกิเลสเดียวทุ่มลงถึงเป็นถึงตายนะบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริง เอาตาก็ตายเอาไม่ตายให้ดูมีเท่านั้นะฟาดกันหนงขนาด น, น, นั้นขนาดนั้นมันกิเหลสมันยังมากล่อมอีกนะเอบางทีทุกขมา์มากลําบากลําบนเราเนี่เหมือนเศษมนุษย์เนี่ยมันไม่ตกขึ้นมานะเหมือนเศษมนุษย์โลกเขาอยู่ด้วยความผาสุกสบายเรามาฝุกฝนทรมาณ์ก้าวขาเก็จะมาได้คอยจะจะหกส์จะล้มเพราะขามมนมีกําลังบังชา ความทุกข์ความลำบากคนในโลกนี้มีคนไม่มีค่าคือเราคนเดียวถึงเลยมาทุกข์ทุกนทุกข์ทรมารอย่างนี้คนกำหนาอะไรนานมันจะทำให้ท้อถอยนั่นน่ะนะ น, ะ น, ะ น, ะนะั่นอ่ะกิเลสมันก่อมเข้าไปแล้วนั่นแต่ันไม่นานมันพลิกกลับปุ๊บเลยพระพุทธเจ้าท่านสลบถึงสามน่ะท่านเป็นคนอยากหรือคนละเอียดหรือเป็นคือคนประเภทไหน ได้เป็นศาสดาเพราะอะไรพระพุทธญาติเป็นศาสดาเพราะอะไรเพราะนอนเป็นหมูขึ้นเขียงนั้นเหรอเราต้องการเป็นหมูไปขึ้นเขียงหรือเวลานี้นานมันแก่เจ้าของถ้ามันต้องการเป็นหมูขึเขียงเอ้าตาก็ตายสิตายตามทางเสด็จของพระพุทธเจ้าตายตามพระพุทธเจ้าเอ้าตายนานมันพลิกอ่ะเฮ้มันก็ะคึกขึ้นมาจริงจริงนั่นแหละเคล็ดขอนั่นนะที่มันหลอกมันจะเล่นนะ มันเป็นผมอ่ะมันไม่ลืมถ้ามันขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไม่ลืมครั้งหนึ่งก็นั่งภาวนาวันนั้นนั่งตลอดลุงประมาณเราประมาณเฉยๆแหละเพราะมันนานแต่นานที่ฟัดกับที่เดือดอย่างนั้นกับความพุ่งสั่นวุ่นวายที่มันไม่ลงตามจุดที่เราต้องการให้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ทรมานมากที่สุดนั่งแต่หัวค่าจนกระทั่งประมาณก็ตีหนึ่งมั้งอย่างวันก็หกทุ่มถึงเขาขับลําทําเพลงผ่านไปข้างวัด เขาอยู่บ so like okay. ้านนั mm: right mm. ่นเขามาเที่ยวทั้งบ้านนี้เขาขับําำําเพลงกันข้างบัดแต่ไม่ใช่ใกล้ๆนั่นไกลๆนั่นแต่เราได้ยินเขาก็ยังมีความสนุกสนานลื่นเลื่นไม่แบกกองทุกอยู่เหมือนเราเราเนี่ยจมเลยถูกนี่ก็กําลังแสนสาหัสนะ่ะมันมันได้จ้าของมันจะทําให้อ่อนนั้นเลย อ๋อไอ on, เรื่องหล่านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วใช่หรือเราวิเศษอะไรบ้างเนี่ยมันแช่ถ้าวิเศษก็ไม่ควรจะได้มานั่งจมกองสงนี้ก็ควรวิเศษไปนานแล้วนี่นะจริงวันนี้เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเหมือนเขาเนี่ยทําไมจริงไปอาจารย์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนอนงานะเอาสิฟัดลงไปสิยังนะไงมันจะวิเศษแล้วมาหาความวิเศษจากทำต่างหากแล้วไม่หาความวเศษจากสิ่งล่านั้นทำไมจริงต้องไปเห็นมาสิ่งของนั้นมันเป็นของวิเศษนะ่ยมันก็พลิกปุ๊ ถ้าอุบาสัญญาไม่ทันไม่ได้นะมันหกล่อมขึ้นมาเแง่กล่อมขึ้นมาแง่นี่ยังง่ายกิเลยเรื่อนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนในตาราหรอกนะมามันอยู่ในหัวใจนั้นนะ่ะหละเพราะงน้นเวลาเราต้องการเอาผลนิพพานทำไมจริงๆไปหัวจอยในตำราเอาความรู้มาจากตำราแล้วมาฟัด ก, กับกิเลสอยู่ภายในนี่สิกิเลสอยู่ภายในนี่ต่างหาสมาธิเข้มาที่ตรงนี้เข้ามาที่หัวใจนี่นะ่ละกิเลสก็อยู่ที่นี่มรรคผนิพพานอยู่ที่นี่ ขี้เขามาที่นี่ ป, นปัญญาท่านตํำลาท่านชี้เขามาที่นี่เราไปหลงงมเงาที่ไหนกันวะมันกล่องอย่างนั้นนะไปถึงขั้นอ้อยอิ่มันยิ่งอ้อยอิ่มนะเสิ่อมหลับเลยหลับหลั บ, ลบ ท, ท, ทั้งที่มีสติอยู่นั่นแหละห <c oughs> ลับหลัก ท, ทั้งที่มีปัญญาอยู่นั่นนะมันไม่ใช่ มันเอาสติปัญญาเป็นดอกไม้ถูกเทียนบูชากิเลศตัวอ้อยอิงนั้นเสียเรียบไม่รู้ตัวเห็นไหมมันและวเหียดขนาดหนังกิเลศนี่ขั้นกิเลศขั้นที่ละเอียดมันก็เรียกขนานนั้นนะมันเอาอย่างอ้อยอิงนะขั้นผ่าผลก็เป็นอย่างหนึ่งขั้นจำหยาบพวกเรายังไม่รู้มันแล้วคิดดูที่ขั้นละเอียดเป็นยังไงตามยังไงบ้างแลรานี่เป็นบริษัทบริวารลูกเจ้าหลานเลนของกิเลศต่างหาอืม ประช า, ชากรของกิเลสต่างหาของกษัตริย์วัฎจักรต่างหากตัวกษั ต, ตริย์วัฎจักรจริงแหลมคมขนาดไหนไม่เค่นั้นจะได้เป็นจอมกษัตริย์ของวัฎจักรหรอเพียงบริษัทบริวารนะเขาผ่านมาตอนนั้นเราก็ลบมะนาวไปแล้วจะไปสู้กับกษัตริย์ก็ได้เอาที่ฟานมนาตั้งแต่ลูกเต่าล้านเหรียญของกิเลสเนี่ยเขาถึงจอมกษัตริย์ฟัดกันลงบรนลัง คือจิตตบันหลังมันตกบันหลังแล้วทมโมปีโปก็ขึ้นคลองใจทั้งหมนหมดปัญหาไปเองงปัญหาทั้งหมดที่มันเป็นอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็มาจากตัวนั้นแหละ พอฆ่ากันนั้นตายแล้วปัญหามาจากไหนไม่เห็นมีโลกว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ก็ไม่มีเพราะพู้นี้ไม่ไปหมายนี่ลุยโดยลําพังเจ้าของแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีถ้าแยกทบอกไปก็นั้นมีอันนี้มีเนี่มีกับความยึดถือันไปด้วยกันนั่นเป็นอย่างหนึ่งมีเฉยไม่ยึดเป็นอย่างหนึ่งนี่ถ้าเรามีก็รู้ว่ามีเสียถ้าว่ามีในขณะนั้นก็มีเสียถ้ามีก็มันก็มีตัวความรู้ที่เสียมันเหมือนไม่มี แล้วเราจะมายุ่งกรจะของไม่ควรตัวเองจะของไม่ยุ่งตัวเองมันมีอะไรยุ่งแหละรูป ก, ก็รูปเสียงก็เสียงกิ่นก็กลิก่นแล้วเขมีมาสั้งกับตั้งคันเขเป็นอะไรกับไผ่ swiftly, ไปหาว่าเขาว่าเป็นไผ่อะไรเนี่ยถึงขั้นที่ที่มาตำหนิตัวเองมารู้เรื่องตัวเองมัน ก, มนก็มันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นไผ่เราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยแต่ถึงขั้นที่ควรจะตําหนิกันฟาดกันเต็มเหนีรัออ้งนั้นเอาเนี่ยมันเป็นหลายขั้นเลยนะ ถึงขั้นที่จะจับแอบจับไถคลาดไล่ไถนาก็เอาถึงขั้นที่ลงตักลงตําก็เอาถึงขั้นที่หงต้มก็หงถึงขั้นที่มารับทานก็รับทานใช่ไหมถึงขั้นที่นอนมือกนะ่นาผากสบายเลยก็เอายี่มันเป็นกันขั้นมันกว่าผ้าพี่บทผ้าบนไม่มันจะของแกนะ่ะเป็งไงเขาเข้าใจฤทธิ์เทศตอนนี้ อ, <Okay. S 1> อ่าเอาตั้งใจคุยปฏิบัตินะ ให้จิตมีความสงบเยน็นอย่างน้อยให้เห็นสักครั้งสองครั้งกันยังดีนี่มาบวชต้องที น, นไปยังไงท่านสอนยังไงศาสนาไปยังไงรู้เรื่องใช่ไมบ้างศา ส, สนาอยู่ที่ไหนอะไรที่นี่เลิกกันแล้ว น, นะี่ก็นั่นแหละ